เน้นหนักเรื่องพระคุณท่านปลารบในครั้งพุทธกาลท่านยังปลารบทิกสุในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารที่ท่านดูแลแม่ของท่านที่ทุกตกทุกระยากแต่พระพุทธองค์ก็ได้ยกตัวอย่างพระองค์เหมือนกันว่าว่าเราต ถ, ถาคตเราเกิดมาพบใดชาติใดเราไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่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 กินเหล้าเมายาไม่มีศีลไม่มีธรรมเขาคุกมันสมองแล้วก็ให้หัวหน้าแรงกินหัวหน้าอีแแงไม่กินเลยเขาบอกงั้นนะขนาดคนโบราณก็ยังพบแแลงไม่กินคนชั่วนยแลงไม่กินมันอาจจะมีตำรามาจากที่นู่นแหละแต่นี้เขาก็ยังพูดอยู่อันนีค้คือเขาเลี้ยงพวกอีแแง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 ดักอะไรก็ไม่ไม่ว่าล่ะตัวนันถูกเขาก็จับเอาตัวนั้นแหละแต่ในแรงตอนนั้นก็มากินมาคาบเอาเหยื่อแล้วมาติดบวกในายพานพอติดบวกในายพานในพานเข้าไปเห็นไปเห็ น, นอินแรงมันคล้ายๆมันแรงโพธิสัตว์คงจะมีบุญบา ร, รมีมาเก่าแก่แล้วเอมันก็พูดเป็นภาษาคนขึ้นมาโอ้ข้าไปเจ้า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 ข้าพเจ้าคงไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาอาหารไปให้พ่อแม่พ่อแม่คงจะไม่ได้กินอาหารคงจะล้มตายด้วยความทุกข์ทรมานด้วยความหิวโหวยเพราะว่าข้าเนี่ยหมดอำนาจแล้วอยู่ในอำนาจของนายพรานที่จะทาให้กับข้าพเจ้าอย่างไรข้าพเจ้าก็จะต้องไปตามนั้นถึงข้าวชีวิตของข้าพเจ้าแล้วข่าวนี้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 เห็นซากศพเป็นร้อยยังเป็นร้อยกิโลนห่างไกลถึงร้อยกิโลนยังเห็นซากศพแต่ทําไมเธอท่านไม่เห็นเหลือตาขายบ่วงทําไมมาติดบ่วงทําไมท่านไม่เห็นแล้วว่าบ่วงมีแต่เพราว่าตาอี๋นแรงเนี่ยตาดีมาก่มองเห็นบ่วงแต่ไกลได้อิแนแรงตอนนั้นตอบขึ้นมาว่า ถ้าหาวาความพิรุษแต่ความพินาศและกรรมมาถึงตัวเองแล้วถึงจะอยู่ใกล้ๆก็มองไม่เห็นเพราะว่ากรรมอ่ะกรรมคือการกระทำาระอว่าเป็นเรื่องของที่จะต้องได้ใช้กรรมแล้วมันจะมองไม่เห็นขนาดจุดจุดใกล้ๆก็มองไม่เห็นนายพานปอกอืมถ้าอย่างนั้นข้าเพาเจ้าจะไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าทา่านนะเราจะปล่อยท่านไป จากนั้นนายพานก็ได้ปล่อยพ่ะเ อ, อ, อีแรงอี่ยแรงก็ให้ศีลให้พรบอกว่าข้าพเจ้าได้รับความ อ, อสุขในการไปพบญาติไปพบพ่อแม่ไปพบญาติอย่างไรขอให้พาน อ, ออยู่ในครอบครัวก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าได้พบกับพ่อแม่ของข้าพเจ้าทุกประการนี่แหละ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 ของตัวเองเพราะฉะนั้นท่านอีแรงตอนนี้หลอดพ้นจากบ่วงของนายพรานได้เพราะว่าด้วยบุญบา ร, รมีรุ่บุญกุศลได้สั่งสมคุณงามความดีได้เลี้ยงมารดาบิดา่นายพรานก็เห็นว่าแป้งตัว น, นี้มีคุ ณ, ณธรรมและก็พร้อมกันก็คงจะเป็นมิตรเป็นสหายกันเป็นพวกพ้องบริวารกัน แต่หากว่านายพรานเป็นพระเทวทัตเนี่ยแรงตัว น, นั้นก็คงจะไม่รอดเหมือนกันนะอันนี้ท่านบอกว่าในสมัยนั้นท่านสรุปชาดกว่าพ่อแม่ของท่านพ่อแม่ของอีแ้งได้มาเกิดเป็นพระเจ้าทุตโธธนารางสิริมห า, มายานะตัวพยาตัวแรงตัวนั้นคือเราตถาคตแต่นายพรานเป็นพระอรนะุ์ท่านบอกสรุปสรุปการชาติเกิดของท่าน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 อย่างนี้มันไม่เป็นผลดีในภพชาติต่อไปถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเราไม่มีเมตตาเราไม่หักข้ามตนเองตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้ที่เราได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าได้พบำคําคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราจะเป็นอริเป็นศัตรูต่อสิ่งรอบด้านมากมายพอเห็นใครก็บว้างหูกว้างตาไม่พอใจกนะักแนแหนกพูดถากทางเา้า ใครๆว่าใจของเราเป็นอคุศลนเกิดพบหน้าชาติหน้าอริสตุโของเราก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเราเกิดนานเท่าไรอริสตุโของเราก็ยิ่งมากเพราะเหตุไรเพราะเรามีตะผูกพยาบาทอาฆาตในจิตในใจอยู่ตลอดเพราะนั้นเราไปอยู่นสถานที่ใดถึงใจมันจะคิดไม่สบายใจเรือโกรธโมโหโกรธทาให้แก่ใครก็ตามอันนี้เราต้องดูใจของเราเอง ใจของเราเนี่ยมันมีอะไรอนู่ลึกๆหรือเปล่าเนี่ยทาไมใจของเราจึงคิดอาฆาตพยาบาทจองเวงคนอื่นเขาทั้งที่เขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้ทาอะไรกับเราเอออันนี้แหละใจของเราเนี่ยเป็นเ็นผู้จองกรรมจองเวงหรือเปล่าต้องถามตนเองจากนั้นเออเอาเอาเถอะข้ารู้แล้วว่าสิ่งที่คิดไปเนี่ยเป็นอกุศลไปในทางที่ไม่ถูกต้องไปในทางที่ไม่ถูกต้อง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 มีคนคนหนึ่งไปขุดทองเนีไปขุดทองเขาก็ได้ทองมาเป็นขอบเป็นกำเขาก็อวดเขาก็บอกว่านี่นะการขุดทองในการถุดตรงนี้เนีเป็นทองจริงๆได้ทองมาเนี่เห็นไหมผมผมร่ำรวยมาเน่ที่มีเงินทรัพย์สมบัติขึ้นมาเนี่ยเพราะผมขุดทองเนี่ยหรือว่าผมทํางานอย่างนี้ผมได้เงินแล้วผมปลูกยางอย่างนี้ผมรวยอย่างนี้ ผมได้เงินมามากเพราะผมทำงานอันนี้ผมได้ขุดทองอย่างนี้ผมจะได้เป็นเศรษฐีอันนี้เราเมื่อเขาเมื่อเขาบอกอย่างนั้นแล้วนะ เ, เราจะไปหาเก็บไปไม้มาขายเหรอเราจะไปเก็บใบไม้มาขายกิบกิ่งไม้มาขาย เ, าเก็บก้อนหินที่ไหนกขมาโลกกกอกแกะเอามาขาย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 ท่นบอให้ภาวนาพุโทโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโทพร้พอมกับลมหายใจเข้าอ่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลาเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาอยู่ตามลำพังให้มีสติสัมปชัญญะว่าเราอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวนี้เราอยู่อย่างไรให้มีสติอยู่กับตัวเอง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 โทด้วยแต่มันมีสองทั้งลมหายใจด้วยทั้งพุทโธด้วยใจของท่านรวมสงบได้นีเน่เมื่อใจสงบรวมสงบแล้วก็ใจของท่านมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีความรู้สึกในใจว่าไม่เสื่อมใจของเราไม่หลุดอีกแล้วอยู่ได้ทีนี้พราะบังคับให้อยู่กับกรรมฐานพุทธโทนะนี่แหละอันนี้แหละคือกรรมฐานเบื้องต้นขององค์หลวงตาท่านกับพูดใน ต ำ, ำรับตำราจะพูดในแนวปฏิบัติขององค์ท่านจากนั้นท่านก็เมื่อจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วอท่านกดไปกราบหลวงปู่มัน่นจัดใจของท่านสงบแน่นปึงเลยเดียเ๋ยวนี้นั่งทั้งคืนก็ได้อไม่ไปไม่ปรุงไปพุงปป่งไปที่อื่นหลวงปู่มั่นกันแนะนะว่าต้องนํามาพิจารณานะให้มันออกพิจรนารณาแต่หลวงตาท่านบอกว่า มันกาหนดไม่ออกมันอยู่แล้วมันากจะอยู่ที่เกา่ามันไม่ออกหลงปูมันนะบังคับบังคับให้ออกอยู่ทาไมไม่ใช่นั่งสงบอยู่อย่างเดียวไม่ได้นะมันไม่เกิดประโยชน์สมาธิในะความสุขในสมาธิเหนะมือนกับเนื้อติดฟันท่านเองมันไม่เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรเหมือนเนื้อติดฟันท่านเองความสุขในสมาธิอย่าไปติดบังคับให้ออกบังคับให้มันคิด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 เห็นงานเลยสิแหมเหมือนกับเราทํางานทํางานมันได้เงินเลยเออพอทํางานขึ้นมามันเห็นผลงานออกมาเยเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเหมือนโอ้เราเป็นนอนอยู่แต่นั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่บัด น, นี้เราทํางานงานมันออกมาแล้วค่าวเนี่ยมันเป็นผลงานออกมาเ อ, อเห็นความสัตว์ความจริงขึ้นมาในใจของเราแต่ก่อนเราไม่เห็นอย่างนี้แต่บัด น, นี้เราเห็นผลีนจุดนอนไม่หลับ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 เคยให้ใจพักผ่อนไในเมื่อใจพักผ่อนพอเป็นแนวทางเป็นกาลังแล้วนํามาพิจารณาทำมาพิจารณาเสร็จแล้วก็ น, นามาพักผ่อนพักผ่อนฉะนั้นก็นำไปพิาพจารณาเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเลยมีจะทําทงานทั้งวีทั้งวันดูสิมันจะไหวไหมไม่ไหวเหมือนกั น, นต้องมาพักผ่อนนอนทานอาหารเสร็จแล้วก็พักผ่อนพอพักผ่อนเสร็จแล้วก็ไปทํางานอีกพอไปทำงาน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 เป็นอะไรเราควรจะตายใจได้เราควรจะสนิทไว้เนื้อเชื่อใจได้ว่าทาคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนที่บอกกล่าวเอาไว้ในตำรับตำราเรืองว่าชีวประวัติของท่านนั้นท่านพูดเป็นแนวทางเอาไว้แล้วพวกเราท่านทั้งหลายควรจะเดินตามเราไม่ควรจะคว้าน่ากว่าลังอ ง, งนั้นพูดอย่างนี้อ ง, งนี้พูดอย่างนั้น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 หลวงพ่อเองในหลวงพ่อนหลวงพ่อมั่นใจเกินร้อยเพราะงั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าแต่ร้อยหมื่นแสนนั้นหลวงพ่อไว้ใจทั้งหมดมั่นใจทั้งหมดในทำคําสั่งสอนของหลวงปู่มั่นในทำคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนวแถวสายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นขอยพวกเราทุกๆุกท่านนะฟังแล้วก็นําไปคิดกันกลองใต่ตองด้วยเหตุผลแล้วการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสุ้มควรกับการเวลาก้อยุติ